อ่าตรวจจบนั่งไปไตามกันก็ตรงนี้ก็มีคนก็เข้าออกเยอะนิดนึ่งพระก็บรรทใหม่ให้เรื่อยๆเมื่อเช้าก็มีพระยืนๆคุยอาจารย์วัชชัยอยู่มีพระมา ก, กาบท่าทางแปลแกๆไปช่วยกันดูกลับมาบ่อยๆบางทีก็ ไม่ได้คิดว่ามาเพราะว่าที่นี่ปฏิบัติธรรมแบบไหนอย่างไรมีใครเป็นครูบาอาจารย์อะไรไม่ได้คิดอย่างนั้นมาเพราะว่าเหตุปัจจัยบางอย่างมันดันเข้ามาแล้วก็ได้ข่าวว่าท่านไม่ได้ฉันก้าวเช้าหาถ่านกินหาโครนตะโคนมากินหยิบใบ ไ, ไม้มากินแล้วก็ เลยเอาไปส่งที่วัดภูเขาทองหลวงพ่อมเขียนก็นั่งรถไปด้วยเห็นว่ากันนะแล้วก็ไทยสุกาสารภาพกเกยปลอมตัวเป็นพระไปหากินอยู่ที่กงเทพอ้างเรางพ่อมเขียนอ้างวัดป่าสุกโตชื่อพระเกศหนองขามเรารู้แล้วพระปลอมมากที่สุดกระจำไว้ที่ไหนมีแบงค์จริงนี่มนก็นมีแบงค์ปลอมนั่นแหละเพราะว่ามันสามารถที่จะ ทำห้คนหลงแล้วเชื่อมีลาบสการแล้วมีประโยชน์เขตหนองขามมันมีไอทีวีมาจับอย่างนี้นกททอย่างนี้ก็หมายถึงว่าช่วงนี้ก็มีทั้งโยมบางทีก็มาดึกๆจับไก่วัดเห็นว่ากันกระโตกระตากวิ่งต้อนไก่กัน4ี่ห้าคนนะก็อาถารนิดนึงแสดงตัว เห็นว่าเป็นความเมตตามีความยุดทธรรมก็แสดงตัวเลยเดี๋ยวหลายคนก็เก่งปากจ้อยจอ ย, จอยเวลามีเหตุการณ์อย่างเงี้ยแสดงตัวหน่อยทำมาที่ทําให้เกิดความอาถรรพ์ด้วยนะจะได้ปกป้องขนาดต่อขนาดไปเลยเหมือนหลวงพอ่อเขียนท่านเคยปกป้องปลาใน ส, ะสระสมัยก่อนท่านเคยเล่าให้ฟังว่ามีปลาแล้วก็ชาวบ้านชอบเข้ามาหาปลากันในสระ เสร็จแล้วท่านก็ออกไปเพื่อที่จะดูแม่ก็ทําบาปทาเวรทํากรรมก็โมโหถือมีดขอมีดก็เดินใส่แล้วก็การที่หลวงพ่อมาห้ามไม่คนทําบาปแต่เห็นว่าผิดจะฟันก็ฟันก็ไม่เป็นไรเห็นว่าผิดแล้วก็ในการห้ามเอาตามสบายมันอาจหารอย่างนี้หนะ่อยทำไหม อะไรก็ควรแสดงตัวก็แสดงตัวอะไรคจะเฉยดูก็เฉยดูมนเป็นเรื่องของการใช้ชีวิตจีวา้ากากายวาจาใจเป็นประโยชน์ตนประโยชน์ท่านสัพสัตสัสิ่งตรงนี้กิดหน้าที่นั่นแหละตอนไหนเกิดอาเหตุเพศภพลขึ้นมามันมีก็มันอยู่ลักษณะที่เราจะต้องเกี่ยวข้องกัน เป็นลักษณะของกติกาหรือกฎกฎก็คือการกําหนดนั่นแหละอันเดียวกันหรือว่าระเบียบวินัยแล้วก็บังคับต่างๆกฏกฎหมายของชุมชนที่กําหนดร่วมกันมากมายแล้วก็แล้วมันก็มีบิณฑูชนผู้รู้ครูบาอาจารย์ต่างๆที่ท่านประสิปากษ์ในเพราะเรื่องความรู้สึกตัวความรู้สึกตัวนี่มันจะพาให้เกิดอะไรหลายๆอย่าง เป็นคุณภาพเป็นคุณธรรมต่างๆเกิดขึ้นมาแน่นอนละก็ใดก็หนึ่งแล้วเราก็สามารถที่จะดํารงชีวิตเอาตัวรอดได้คำนะว่ารอดในที่นี้มันหมายถึงว่าปัญญานะหรือว่าธรรมะนะมันชนะอยู่ก็เคยมีเหตุการณ์เรื่องไหนเี้เกิดขึ้นมาบ่อยๆนะแต่ว่าพวกเราที่มาอยู่ก็ต้องเรียกว่ารู้จักเกี่ยวข้องกันกับตัวเองกับผู้อื่นนะเหตุการณ์หนึ่งสสสี่หบางเรื่องต้องใช้เวลา บางเรื่องไม่ต้องเหมือนกับว่ารีบอาใสยเป็นระสบการณ์ในการเรียนรูว้ว่าเรายังไม่เคยประสบพบเจอลักษณะ น, นี้เหตุการณ์แบบนี้มา ก, ก่อนนะพอพระรูปนั้นสารภาพกับหลวงพ่อว่าทําอย่างนั้นเป็นพระปลอมแล้วก็ไปขอเขา้าอ้างหลวงพ่ออ้างบัดป่าสุดตัวท้ายสุดก็มาบวชนี่ยแหลนะแล้วก็หลวงพอ่อก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรหรอก แลพระพูดคำนี้ปั๊บเนี่ยพระกลับมาเป็นความปกตินะแล้วก็รู้สึกตัวดีก็ว่าอย่างนั้นนะก็ยังไม่ได้คุยกับหลวงพ่ออยาตามหลวงพ่อกั น, นเกิดอะไรขึ้นเพราะสิ่งเหล่า น, นี้มันคือการแสดงออกของกฎแห่งกรรมทั้งหมดนั่นะมโนกรรมวจรรมีกรรมกายกรรมเราทำไปโดยเจตนะาก็ฝังลึกาการปฏิบัติคือการตัดกรรมตรงๆอ้ที่แล้วให้แล้วไปแล้วก็ตัดกรรม แต่ถ้าทําแบบไม่ใช่เป็นกรรมคือมันเป็นธรรมชาติของเหตุปัจจัยกระทําไปอันนั้นไม่มีเบนมีภัยอะไรหรอกเพราะว่าไม่ได้มีเจตนาเป็นเรื่องของเหตุปัจจัยเฉพาะเฉพาะแล้วเราก็ไม่ได้ทําเพราะว่าใจของเรามันอยากจะทํำแต่มีเหตุปัจจัยขอให้ทําำว่าทําอย่างนั้นแล้วมันเกิดการเติมเต็มขึ้นมาเนี่ยเราก็เห็นเหมือนกันมันก็มีอยู่หลายสิ่งหลายอย่างมันก็อยู่กันไปวันๆทั้งเกี่ยวข้องกันไปวันๆทั้งกายวาจาใจ เป็นธรรมชาติบริสุทธิ์ตัวนี้ยขันห้ามีความบริสุทธิ์อยู่ถ้าถ้าหากไม่มีความบริสุทธิ์ก็หมายถึงว่าเราเลยเถิดละทํำด้วยความหลงพอทํำด้วยความหลงปั๊บไอสิ่งแร ก, กคือตัวเราเองก่อนตัว เ, เองก็ตัวเราเองก่อนเจตนามันก็ฝังลงไปเป็นรอยทําดีมันก็ดีทําชั่วมันก็ชั่วเป็นรอยทันทีอันนี้ไม่เกี่ยวกับคนอื่นเกี่ยวตัวเราแล้วไม่ต้องมโนกรรมก็ตาม ถึงไม่ได้พูดออกไปถึงไม่ได้ทําลงไปนะแค่เราคิดยำๆซ้ําๆกลายเป็นมโนกรรมนะนะเพรา ะ, ะนั้นหลวงปู่เทียนยังบอกว่าที่สุดแล้วนะเมื่อคิดเราก็รู้นะว่ามันจะเป็นดีเป็นชื่อแล้วก็ไปนรกไปสวรรค์กี่วันกี่เดือนกี่ปีอย่างเงี้ยขนาดคิดอย่างเดียวนะแต่คิดแล้วพูดลงไปนะใจวาจาลงไปมัน ก, ก็กี่วันกี่เดือนกี่ปนะีหรือว่า ครบทั้งสามเลยไงนะทั้งกายว่าจจใจมันประทับเอาไว้นะหลายคนบางทีมันคิดไม่ออกบอกไม่ถู ก, ถกเวลายอยู่คนเดียวมันเกิดอะไรขึ้นอึดอัดเนี่ยมันไม่ผ่อนคลายทั้งๆมีความสุขอยู่ตรงหน้าแต่ว่าไม่สามารถที่จะเสวยได้รับรู้รับทราบได้เพราะด้วเหตุที่ว่ามันเคยติดตรึงอยู่ภายในนะอารมณ์ตกค้างมันก็ใช้กรรมก็มันนั่นแหละ มันความเป็นปกตินะดีหนะ่ออะไรแล้วนะกเกยมาแล้วไปซะวันนี้ชีวิตใหม่ของเรามันอยู่ตรงนี้ขณะนี้ที่เคลื่อนไหวรู้สึกทานะงการเจตนาการกำหนดนี้สำคัญนะพอมีการกำหนดนะกำหนดเบื้องต้นนี่แหละนะแล้วเดี๋ยวให้ตัวกำหนดจะพัฒนาไปเองนะมันก็คือกฎนะกฎก็คือกฎหมายหมายต่างๆราเราก ด, ด, กดจิตกดใจข่มเไว้ก่อนก็เป็นกระบวนการของสมถะนะ ข่ ม, มาแยะไม่ให้มันไปตามความคิดอารมณ์ต่างๆความพา่แพ้ความทุกข์ก่อนที่จะเข้าวัดกันมันก็มีทะลักทะลวงเข้ามาตามมาด้วยเสร็จแล้วเราก็รู้สึกตัวรู้สึกตัวนี่คือการฝึกหัดจิตใหม่ของเราเมื่อเจ้าหลวงพ่อเขียนท่านเลยเทศถึงเรื่องของสิ่งแวดล้อมต่างๆก็เป็นไปเพื่อให้เกิดความรู้สึกตัวท่านกระชื่นชมเห็นคนเดินจงกรมอย่างเช่นระยะนี้ไม่ใช่มีกอดเห็นหลายคนเดินยงกรมเองนะ ศรัทธาเองมีความเชื่อเอาเองว่าทํากรรมฐานแบบเนี้สามารถที่จะบรรพจนทุกข์ได้แต่เมืเราส่วนกาเรามาสวดกันอย่าเชื่อเพราะว่าคำว่าอย่าเนี่ยมันก็สุดตองนะอย่าเชื่อเพราะว่าเป็นกลัของเราเป็นของเก่าๆที่ทําตามกันมาอะไรที่ยิ่งห้ามจะเหมือนยิ่งยุอย่าแต่ท้ายสุดเราสังเกตได้ไหมว่าไอ้คําว่าอย่านี ทั้งหลายทั้งปวงมาลงตรงข้อสุดท้ายว่าอื ừ, เรารู้ไหมว่ามันคือกุศลธรรมอากุศลธรรมเรารู้ไหมสิ่งที่ทําไปเป็นสุขเป็นทุกข์โดยเพราะตัวเราเองกระทบเองก่อนไม่ได้เกี่ยวกับคนอื่นเลยนะเกี่ยวตัวเราเองพอทําำไปไม่สบายใจนะตัวนี้เราเคยสังเกตไหมทําอะไรม้างเราไม่สบายใจการคิดการพูดการทำํำเรื่องอะไรที่ทำให้เกิดความไม่สบายใจอารมณ์นั้นมันคืออะไรก็อากุศลว่าไม่ฉลาด แต่เปความฉลาดเนี่ยเราก็รู้สึกผ่อนคลายแล้วก็มันไม่มีของกูหรอกอะไรของกูของกูมีแต่ของกลางของกลางของกลางเนี่ยนะมีแต่เรื่องของคนหมู่มากไม่ใช่คนเรื่องส่วนตัวไม่ใช่เป็นเรื่องของกลางจริงๆแต่ว่าการที่กระจายไปสู่กลางมันผ่านอะไรอา ย, ยาุยั่งมรชาเป็นยังไงให้มาก็เกิดบุูนเป็นยังไงเก็บไว้สักระยะเขายเห็นว่าอยู่กับเรานะเป็นยังไง เราคอยกระจายออกไปนัยยะสมทาให้เป็นเรื่องของสมบัติผัดกันชมมันเป็นยังไงเป็นเรื่องของศาสนาเป็นยังไงเป็นเรื่องของโลกทั้งใบเป็นยังไงต่ที่สุดแล้วเป็นของกลางขนาดร่างกายยังไม่ใช่ของเราอะไรมันจะเป็นของเราไม่มีแล้วนั้นจึงเหมือนกับว่าเรายิ่งปฏิบัติธรรมเราเรายิ่งเห็นชัดเจนชัดเจนในกายในใจของเราในอาการต่างๆที่มีเยอะสภาพธรรมต่างๆที่มีเยอะในความรู้สึกตัวเนี่ย ที่เรากาหนดเบือเเบ้องต้นเจตนาเบื้องต้นท้ายสุดมันเข้าที่เข้าทางมันเป็นธรรมชาติเองแล้วนะเขาจะรู้ในตัวเขาเองก็จะวางในตัวเขาเองอีกเรื่องหนึ่งเพราะเราจะรู้ได้ยังไงว่าเรารู้แล้วก็ลองทําดูสิในรูปแบบนี้นะขนาดตั้งใจทํายังทําไม่ได้หมายความว่าไงก็หมายความว่านั่นแหละก็เป็นประสบการณ์ไม่ได้หมายความว่าอะไรหรอกหมายถึงว่าผิดใช่ไหมก็ไม่ใช่หมายถึงว่าถูกใช่ไมมันก็ไม่ใช่ แล้วหมายถึงอะไรก็หมายถึงเป็นการปฏิบัติธรรมมันไม่ใช่เป็นการปฏิบัติกรรมมันหมายถึงอะไรป่ะปัติว่ากลับมาทำก็คือธรรมชาติธรรมดาธรรมดานิรเคลื่อนไหวกมีธรรมชาติธรรมดาธรรมดามีอยู่แต่เมื่อก่อนล่ะมันปฏิบัติกรรมทําอะไรเป็นกรรมดีกรรมชั่วไม่หมดทําบุญก็บ้าบุญทําบาปก็สุดๆุดนี่ มันก็เลยเรียกว่าหลงสวรรค์หลงนระกอยู่นล้ลนะเวียนว่ายตายเกิดดีดีชั่วช่สารพัดสารพันธ์มันก็จึงเป็นเรื่องที่เราก็อยู่หลายวันแล้วนะหลายขณะจิตที่เราเกิดวห้รู้สึกนะจิตของเราที่มันเกิดดับเกิดดับมากมายแล้วกินมันเกิดอะไรขึ้นมาสภาวะต่างๆก็มาให้เราเพียงแค่ว่ารู้จักนะรู้จัก รู้จักแล้วก็แล้วไปรู้จักแล้วก็แล้วไปรู้ซ้ําๆำจนหายสงสัยการเคลื่อนไหวก็ไม่สงสัยเคลื่อนไหวทาไมทั้งวันเอากระทำอาชีพของกายก็ต้องเคลื่อนไหวนั่นแหละมันมีพลังแต่าไม่เคลื่อนไหวก็หมดพลังเอามาพึกอามาพากินเจ็บไข้ไปสบายทั้งนอนแรมบนเตียงนั่นแหละคือมันหมดพลังก็ต้องซ่อมอยายารักษาหาหมอฉีดดมออมทาผ่าตัด จนมีกําลังขึ้นมาใหม่ก็เคยว่ากันใหม่อีกนันก็คือเรื่องของจิตใจของเราพลังของมันต้องหยุดการที่มันคิดมากๆหมดพลังคิดอดีตผ่านไปแล้วไม่แล้วไปคิดจนนั่นบกวนย้ำคิดย้าทำําตอกย้ําตัวเองเหมือนภายเรือในอ่างคิดแล้วคิดอีกคิดแล้วคิดอีกมันไม่ได้ข้อสรุปอันนั้นก็คือกระบวนการใช้กรรมนั่นแหละ เคยทำอะไรมาก็คิดอยู่นั่นนะคิดจํายำๆบางคนเป็นโรคเบื่อโรคเศร้าซึมท้ายสุขค่าตัวตายเพราะอะไรเพราะจิตไม่ใช่มนุษย์จิตเป็นเดรัจฉานนี่ก็เดี๋ยวไปหาเกิดเป็นเดราาัจฉานลางเป็นมนุษย์ก็ต้องไปละแตกดับไปจิตเป็นเปลือนี่เดี๋ยวก็ต้องแตกดับไปไปเกิดเป็นเปลือที่วัน มันไม่เหมาะนะที่จะใช้ร่างของมนุษยนะ์โลกมนุษย์ต้องมีร่างมนุษย์แล้วก็จิตเป็นมนุษย์ด้วยมีบวกมีลบมีสุขมีทุกข์นะเราก็ได้เห็นอ๋อจิตมนุษย์ก็สร้างหัวอจสงบะนะจิตมนุษย์จิตสูงมา น, นาคืออุทยะมา น, นาคือใจจิตของเรานะอุทยาคือสูงนะมนุษย์เป็นคาสมาดมันไม่ใช่คนนะมันไม่ใช่เดรชาสมนุษย์เดรชานโนนะมนุษย์สเปโตนะ มันเป็นมนุษย์โซีอย่างเงี้ยนะถ้าเป็นมนุษย์เทโวก็ยังพอทนก็ติดดีหน่อยเห็นอะไรไม่ดีก็เปลี่ยนเทวดาก็จะเททีอะไรเยอะๆแล้วก็ได้จำนวนน้อยๆแต่พรหมมันเทละเอียดอ่อนเทแบบไม่ประมาณกว้างๆทั่วถึงแต่ต้องแบ่งกันเล็กๆน้อยๆไปพรหมรนาจิตเป็นพรหมเป็นยังไงรูปพรหมมารูปพรหมอา ปัติมันต้องได้เจอนมัต้องเข้าใจไม่งั้นไม่เจอความเป็นกลางหรอกเจอไม่ได้ความเป็นกลางคือจิตจนเป็นเรื่องของอริยะนมันเหนือสุขเหนือทุกข์เหนือบุญเหนือบาปมันจึงไม่เอาความคิดทั้งหมดนั่นแหละนมันไม่ต้องเชื่อใครหรือไม่เชื่อใครถ้าเชื่อมันเชื่อใครหมายถึงคนนั้นพูดเรื่องอะไรถ้าไม่เชื่อไม่เชื่อเพราะอะไรก็ไม่ใช่เพราะว่าเขาพูดแล้วก็ไม่ทําก็ไม่ใช่ มันเป็นเรื่องแง่คิดบางทีก็พูดก็ทําไม่ได้บางทีเขาพูดอไไดาจจะทําได้อ ย, าย่างไรมากมายเหลือเกินว่าวิธีการที่มันจะต้องเรียกว่าชี้นํามันมากมายเหลือเกินมันเป็นเรื่องของคนแต่ละคนภูมิจิตภูมิธรรมก็ไม่เหมือนกันความรู้ปัญญาความสามารถต่างๆความฉลาดด้านต่างๆก็ไม่เหมือนกันบางคนฉลาดเรื่องใช้สมองคิดเก่งกับนิสตร์นัย บางคนก็เป็นเรื่องของกายในการกระทําวิชาพละนี่ได้เต็มบางคนก็เป็นเรื่องต่างๆนานามากมายแต่ท้ายสุดก็คือเป็นเรื่องปฏิบัติมันไม่ได้ใช้อาการของความเข้มแข็งทางกายหรือว่าทางจิตใจอย่างเดียวมันรวมๆกันไม่ใช่อย่างใดอย่างหนึง่งแลีกวก็ความรู้สึกตัวนี่แหละเราทํำด้วยความพ่อนคลายไปท่านั่งท่าเดินท่ายืยนท่านอนเอียบอดต่างๆใช้เป็นส่วนประกอบ จิตมันจะคิดอะไรก็คืออาการของจิตก็ไมให้ค่านะไม่ใช่ว่าชอบพอใจหรือไม่พอใจนะก็คือมันเป็นสัมผัสรู้ที่ความรู้สึกนะพอคิดรู้สึกก็กลับมารู้ที่ฐานกายต่อนะจนเห็นกายในกายเห็นกายในกายไม่ใช่สั ต, ตัวตนบุคคลเราเขาการเคลื่อนตละลกระหน่ำมันก็มีกายเนื้อทั้ง4เรามีกายในก็คือกายในที่มันตึงมันเกร็งมันคลายมันเคลื่อนมันหวมันรู้สึกอยู่เนะี่ยกายยาัญ ญ, ญาณนะ มันมีอยู่แต่เรารู้ตรงนี้ได้มันแยกสองตัวตัวกายดุนก้อนกับตัวหนึ่งตัวกายภายในที่รู้สึกนีรู้สึกกระหนากรอนนีสติก็รู้อยู่ระลึกรู้อยู่เห็นความรู้สึกตัวเนี่ยความคิดเรเกิดขึ้นมาก็มีความรู้สึกตัวเนี่ยมันรู้รูปรู้นามก็ตรงนี้แหละแต่ยังไม่ได้หลักจนกว่าจะเห็นความคิดนเห็นความคิดแล้วมันเข้ากระแสจนได้หลักปฏิบัติวิธีปฏิบัติมันชัดเจน ตรงนั้นแหละเห็นบ่อยๆไม่มีเจตนาที่จะตั้งใจดูหรอกคิดมาไม่ใช่ตัวรู้สึกที่กายอะไรกันแล้วแต่เป็นความรู้สึกในจิตที่ละเอียดเป็นอาการสติมันก็คมมันก็รู้ชัดตรงนั้นก็ตั้งตัวได้ได้หลักปฏิบัติตรงนี้แหละที่จะทําให้จิตเรามันเหมือนกับว่าเกิดความผ่อนคลายมันเป็นวิปัสสนาเมื่อคลายแต่จะเป็นสมถะมันก็ติดแน่นยึด เพลงก็ไม่ได้หมายถึงว่าผิดตรงนี้แหละที่เรียกว่ากาหนดนะ บ, บังคับหรือว่ากดอยู่มีกรอบการเพ่งเพ่งถูกขณะเป็นปัจจุบันขนะไม่ใช่อดีตไม่ใช่นาคตเราเป็นการรู้แล้วก็ตัดรู้แล้วก็ปล่อยรู้ละรู้ละรู้เป็นจังหวะตรงี้จึงต้องสร้างแบบจังหวะรับรู้แล้ว ร, ร, ร, รู้สัมผัสแตะปล่อยแตะ ป, ปล่อยเป็นจังหวะมันก็สนุกเลยนะถึงขนาดนี้แล้วก็ มันจะเห็นเวทนาเห็นจิตเห็นธรรมนะเวทนาในเวทนามันคืออะไรก็คือการมีสติรู้อยู่อาการเจ็บอาการปวด ส, สุขเกิดขึ้นมาที่กายทุกข์เกิดขึ้นมาที่กายมันก็จะไม่ได้เอามาเป็นความสุขความทุกข์ในจิตสติมันก็รู้อยู่ทุกข์องกายยกให้กายไปสติผู้รู้ผู้ดูก็มีปัญญาก็ได้คําตอบกระพาน ถึงปวดกายก็ไม่ปวดใจถึงกายปวดเมื่อยใจก็ไม่ทรมานมันก็ได้คาตอบแบบ น, นี้แหละเจนกระทั่งเหมือนกับว่าเออมันก็มีปัญญาในการปรับเปลี่ยนผ่อนกายบรรเทาไม่เครียดหลาบเจ็บปวดเวทนาที่กายก็มีสติรู้อยู่อัตตามีการ น, นี้การตีมีการ น, นี้เอาเปลี่ยนให้เขามันก็ค่อยเป็นค่อยไปค่อยฝึกจนทั่งเขาเพิ่มชั่วโมงมากขึ้น กายเย็นซีมแก่กล้ามากขึ้นเข้มแข็งมากขึ้ น, นก็ต้องเฝ้าสังเกตเราก็จะได้มีพัฒนาการผ่านไปหลายๆวันอยู่ร่วมกันจิตพัฒนาท้ายสุดก เ, ออเนื้อเกิดนะ้แก่เนื้อตายขนาดหนึ่งขนาดหนึ่งขนาดหนึ่ ง, งก็เป็นกําไรชีวิตแะเคยง ง, งนะร้วดหลงกัไปในอาการต่างๆที่เรารู้ไม่ทันมันคือขันห้านะ กายเวลาจิตทำ ต, ต่างๆเวลาสัญญาสังขารวิญญาณต่างๆมันมีแต่ว่าเราไม่รู้ว่า ม, มีเราก็ไปยึดว่าเป็นกูตท้ายสุดไปดูไปดูมาเฮ้ยมันเป็นธรรมชาติเนี่ยแต่ละตัวแต่ละตั ว, ตตวมไม่ใช่กูแต่ละมันเป็นก้อนของธรรมชาติแต่ถ้าไปยึดมาแล้วมันกลายเป็นเรื่องเป็นราวอุปทานก็ไม่แปลกก็ถือว่ามันก็จะเป็นบทเรียน แล้วก็เลยไม่ต้องกลัวกันว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นมาขณะที่อยู่วัดอยู่วะก็ใช้หลายๆอย่างด้วยความพอดีมันก็ได้ประโยชน์หมดนะมีกฎกติ ก, ฎก า, ามก็ดีอย่างเช่นในหลักของอปัยเจตนธรรมเจ็ดมั น, นเป็นหลักของการทำให้สังคมไม่เสื่อมอย่างเช่นละมาพร้อมกันเลิกพร้อมกั น, น, ะนะมันเป็นกฎที่โบราณทำกันมาอันนี้ไม่ใช่าเชื่อหรือไม่เชื่อ แต่ว่าอยู่แล้วมีกรอบแบบนี้อยู่แล้วก็ทำออ ต, ตามวิถีของชุมชนทีนี่ก็มีศีลห้าก็อยู่ในแบบศีลห้าก็มีก็คนะือบางคนก็อยู่กลัวกินข้าวเย็นเจ็บป่วยไม่สบายก็ศนะีลห้าหรือว่าถือศีลแแต่ว่ามันมันมันต้องทานยาหลังอาหารอนะก็ต้องทานอาหารรองท้องไปก่อนกาจะอยู่ในศีลแดนั่นแหละแต่ว่าด้วยกลไกของมัน ที่ต้องรักษากายด้วยปัญญา<ม>อยู่กระบวนการพื้นฟูอะไรเงี้ยมันก็มีกันมันอยู่ทีนี้อ่ินแปดสินบชีศิน 10, สิอ่เนนสำเนนในศิน10เพิ่มอีกสองก็ไม่เก็บเงินเก็บทองคนนี้เพิ่มขึ้นมามเราก็มาสิรีคือพระสงฆ์ตอนนี้มีสำเนนนานจะมีมาสกรูปนึง ส่วนไจีก็มีอยู่เป็นประจำอยูแล้วแต่ว่าทั้งหลายทั้งปวงเราก็ถือศีลข้อเดียวกันน ะ, ะคือรู้สึกตัวรู้สึกตัวศีลตัวนี้ถ้ามีสติลําเกิดนก็เลยมีสติแล้วก็มีศีลแล้วก็สมาธิแล้วก็บัญญาเรียงกันสติคือการระลึกรู้ตัวเนี่ยแหละพอรู้ตัวมันก็ไม่ได้คิดชั่วพูดชั่วทําชั่วซะก็เหมือนกันนะไม่ได้เกี่ยวกี่ข้อถ้าเกี่ยวกับว่าข้อเดียวเนี่ยคือเคลื่อนไหวรู้สึก พยายามรู้สึกตัวกันไว้จะคิดจะพูดจะทำ mm hmm. เป็นศีลก้อเดียวเหมือนมีเรื่องราว่าพระเขาจะศึกนะ่อันนี้เป็นเรื่องของในหนังสือเสร็จแล้วก็ไปหานะครูบาอาจารย์ว่ามันอยู่ไม่ได้นะศีลสองร้อยยิบเจ็ดกล่าวไม่อยู่ศีลสองร้อย ลงมาเอาไม่อยู่เลยจนกระทั่งมาถึงสิห้าก็ยังเอาไม่อยู่ทยสุก็คือศินข้อเดียวได้ไหมก็อ้างว่ามีเสือหปากเสือหปากก็คือมันออกลูกเสร็จแล้วมันโอ้โหมันกินทั้งวันมี6ปากกินทั้งวันก็เลยใจมันอยู่ยังไงดี เอานี้เอาศีลเอาเอาโกงที่มีซี่สามอสิบเอ็ดข้อก็คือพิษสเียนะสามรอสิบ็ดข้อเอาล่ามไว้โดยที่จะสึกไหมก็คือเสือจะขังอยู่ไหมขังไม่อยู่เสือแหกออกมาอีกโกงพังศีลสองร้อยิบเจ็ก็เอาอยู่ไหมไม่อยู่อีกเสือออกมาอีกอ่ะทีนี้ กี่ซี่กี่ซี่ก็ไม่อยู่เอาทีนี้เอาซี่เดียวกันแล้วกันปรากฏซี่เดียวขังอยู่หมายความว่าไงกหมายความว่ า, วาสีนอันนี้คือศีนที่เป็นศี น, นอริยะเป็นศีนของพระริยะมยีข้อเดียวก็คือมีสตินั่นแหละถ้ามีสติแล้วก็มีศีน หลวงพ่อเคยพูดถึงว่าครั้งหนึ่งเคยระดมธรรมที่สวนลุมพินีหลายสำนักก็ก็ไปรวมกันหลวงพ่อก็พูดอยู่อย่างเดียวให้มีสติรู้สึกตัวรู้สึกตัวรู้สึกตัวก็มีสำนักหนึ่งสันติอโศกเจ้าสำนักก็บอกกับหลวงพ่อว่าท่า น, นพูดได้แค่เรื่องเดียวเหรอเรื่องศีลไม่พูดเลยเหรอ หลวงพ่อบอกว่าก็ลองดูสิก่อนจะมีศีลนะมีอะไรก่อนมันมีสติก่อนใช่ไหมอันนี้ก็คือเป็นศีลของอายะกันจัดศีลแต่ส่วนศีล ท, ทั่วไปเป็นศีลของสังคมก็คือกรอบกฎระเบียบของชุมชนที่อยู่ร่วมกันอันนั้นก็คือเรารักษาศีลไม่ใช่ศีล ร, รักษาเรา ต้องไปขอจากพระบ้างอะไรบ้างจริงไม่ต้องแค่เรารู้สึกตัวแล้วไม่ได้คิดชั่วรู้สึกตัวแล้วไม่ได้พูดชั่วรู้สึกตัวแล้วก็ไม่ได้ทําชั่วตัวนี้ลําตัดกรรมขณะต่อขณะรู้สึกตัวรู้สึกตัวเป็นปัจจุบันจิตที่รู้อยู่กับปัจจุบันเป็นจิตที่ปกติอยู่ไม่ได้ทุกข์อะไรมันจะรู้สึกเฉยเฉยรู้สึกสื่อๆนะภาษาหลวงปู่เทียนมันไม่เป็นเรื่องที่ ต้องคิดอะไรกันมากนะเมื่อลงมือกทําจึงเรียกว่าปฏิบัติธรรมปริยัตเป็น2องปฏิบัติเป็น1นึปฏิบัติเป็น1นปริยัตเป็น2แต่ว่าถ้ารู้ไว้ก็คือจากการได้ยินได้ฟังการอ่านก็ดีแต่พอลงมือทําแล้วเราก็ไม่ได้ฟังไม่ได้อ่านอะไรอย่างที่นี้เราก็สังเกตเราก็ไม่ได้มาอ่านมาฟังอะไรกันมากมายวันนั้งวันแล้วก็อยู่กับตัวเองรู้ตัวเองไป บรรยากาศที่เห็นวันนี้จึงเป็นเรื่องที่น่ายินดีชมก็เป็นอย่างที่หลวงพ่อเขียนตอนเช้าท่านได้เทศเห็นคนเดินยังกรมเห็นพระปฏิบัติท่านก็รู้สึกว่าเออก็ชื่นใจมันสร้างสำนัก ส, สร้างที่ปฏิบัติมากเพื่อการนี้โดยเฉพาะโดยเฉพาะตอนหลังก็มีเรื่องของสุขภาพกายเราจึงไม่ต้องกลัวกันนะมีหมอมีพยาบาลมากมายที่มาเกี่ยวข้อง ให้เราเหมือนกับว่าเนี่ยเป็นอย่างที่เราได้สัมผัสกันอยู่ทุกวันนี้นะบัตบารามก็สนับสนุนให้เราได้ปฏิบัติแล้วก็มีผลของการปฏิบัติเราก็จะได้เดินทางร่วมกันในบรรยากาศของกรยามิตรไม่ใจะหมายถึงว่าเป็นใครมาจากไหนกันเป็นเดนสีลังกาหรือว่าเป็นจีมาจากจีนใช่ไหมจะเป็นญี่ปุ่นแล้วจะเป็นฝรั่ง คนลาวคนไทยไม่เกี่ยงแต่ขอว่าให้ภาษาที่เป็นการปินะัเป็นภาษ า, ษาธรรมนะต้องทำการยกมือแต่เรียกว่าต้องมีการเคลื่อนการหยุดจับประเด็นตรงนี้ก่อนชาวต่างไทยสุดกระกายเป็นว่ามันมันรู้โดยไม่ไ ม, มีคำพูดนะมันมีอยู่มันรู้โดยที่ไม่มีคำพูดเลยมันสบายมันผ่อนคลาย มันทำแต่มันพูดไม่ออกแต่มันได้เดินได้เรื่อยๆไปวัดได้เรื่อยๆและท้ายสุดนะก็สามารถที่ไปใช้ตรงไหนก็ได้จะเดินไปไหนมาไหนนะเวลามีอาการมันเกิดขึ้นในกายในใจนะเราก็รู้แล้วนะรู้สึกรู้สึกรู้สึกจากอยาบไปหาละเอียดนะการเดินก็ไม่ใช่เดินธรรมดาจนะละเดินไปรู้สึกตัวไปเป็นธรรมชาติ แล้วก็เคยเป็นเดินไปได้ความลุกลี้ลุกลนหรือ ว, ว่าเดินไปหลงไปเดินไปคิดไปมันกลายเดินไปแล้วก็ได้อยู่กับโรคเห็นโลกตามความเป็นจริงขณะต่อขณะมันรู้สึกว่าชีวิตมีพลังมันไม่หมดพลังจะนั่งจะเดินเดี๋ยวนี้นอนนี่จะต้องนอนแล้วก็เป็นไปตามกรอบกําหนดไม่ใช่นอนเหมือนกับปกติเพราะว่า ระบบประสาทนะระบบกล้ามเนื้อระบบกระดูกมันเสี ย, ยไปพอมาให้หมอที่ท่านมีความรู้นะเป็นวิทยาศาสตร์ทันตรวจท่านบองอ๋อของท่านนี่จะต้องระมัดระวังแล้วละก็เลยเก็บเอียบบทละเอียดตอนนี้นะจะลุกจะนั่งต้องมีสติจริงจริงแล้วละเอียดกับันนะเป็นการละเอียดอ่อนด้วยนะคือได้ดูเห็นอาการต่างๆ เมื่อก่อนนี่พอลุกขึ้นเสียวแปผลปพอนั่งนานๆก็เกร็งตึงแล้วก็ไม่ปรับเปลี่ยนผ่อนคลายบรรเทาก็คือดูที่เจเวทนาจะสักขนาดไหนกลายเป็นว่ามีผลกระทบต่อกล้ามเนื้อตรงๆเอ็นกระดูกต ร, ตรงๆเพราะเขาเกร็งกระทุกที่สุดแล้วแต่เราไม่ยอมปรับเปลี่ยนผ่อนคลายบรรเทาให้เขาอย่างนั่งแข็งทื่อ หมอก็ามาบอกตอนหลังว่าโอใช่จริงๆเราใช้กลายแบบพร้อมทิง้งพร้อมทิ้งมาตลอดเงนี้แต่ใจสุดหลายคนก็ห่วงก็ห่วงก็ห่วงพยายามที่จะรักษาจะรักษาเออแล้วเราก็จะทิ้งไอ้เขาก็จะรักษาเออเจอกันครึ่งทางกันแล้วกันดังนั้นก็ช่วยกันดูแลอย่างนี้วีจัดอาหารมาให้เจ้าช่างไอ้เราก็จะตักบาตฉันในบาตรเอาอาหารไม่เอาไปเป็นไรเจอกันครึ่องทางกันแล้วในบาตบ้างข้างนอกบ้าง ก็บอกเราที่ฉันไปนสารพิษทางนั้นว่าอย่างนั้นนะพอกระจัดมาให้ปั๊บก็รู้สึกเออเป็นของที่มันเป็นธรรมชาติซึ่งก็เหมือนเหมือนกับว่าเป็นของส่วนกลางนะมันมีของเราร้อซแล้วเราจะใช้แบบตะบีตะบันยนพังนะเป็นของส่วนรวมไปแล้วเดี๋ยวนี้ก็เลยอ๋อเห็นบรรยากาศต่างๆที่มันนะเป็นเรื่องการเกื้อกูลเกีก่ยวข้องก็คือการทําหน้าที่ของแต่ละคน เนความดีความงามความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่นะมีน้ําจิตมีน้ําใจนะน้ำใสใจจริงแล้วก็อันออกนะความสม่ำเออส ม, มอต้นเส ม, มอปลายนะที่เราจะต้องเกี่ยวข้องกันต่อไปเงีนะ้ยก็เลยบอกว่าเราก็คงจะต้องใช้นะใกายที่เหลืออยู่ทําความดีกันหรือนะ ว, ว่าวาจาที่เหลืออยู่ทําความดีกันแล้วนกะ็จิตใจอันนี้เราคิดทั้งต่อหน้าและหลังก็ทําความดีกันมันกะ็เลยเป็นเรื่องที่นะ หมือนอยู่กันแบบเพื่อนแบบพี่แบบน้องนะก็เลย ว, ว่ามีอะไรก็ช่วยเหลือกันเต็มที่นะแล้วก็ไม่ต้องเหมือนกับว่าถึงจะบวดใหม่เกลเกลืนเกิดไม่ต้องเลยนะให้เหมือนกับว่าอยู่ที่นี่ก็มีสิทธิ์ส่วนให้ก่อนหลวงพ่อท่านจะพูดแบบทําใหนะ้เรามีความรู้สึกนะสบายผ่อนคลายก็คือมาอยู่ที่นี่นะเหมือนกับว่าเป็นบ้านของเราแล้วก็จะไปไหนกห็มีความรู้สึกว่ามัน ไม่แปลกแยกรู้สึกปลอดภัยอยู่ตลอดไปรัเวลาตัวนีน้แต่ว่าอาจจะมีกรอบอยู่บ้างนะเช่นนะบทก่อนบทหลังหรือว่าวิถีของชุมชนนะการจะมีอยู่บ้างเพราะบางทีเราก็เหมือนกับว่าออทําให้ชุมชนมันเรียบร้อยนะเกิดระเบียบทําให้สะดวกกับการปฏิบัตนะิส่งเสริมกับการปฏิบัตนะิทุกสิ่งทุกอย่างก็ทําไปเพื่อเกิดการปฏิบัติขึ้นมาอย่างนั้นนะการปฏิบัติคืออะไรก็ ก็ไม่มีอะไรที่จะพูดไปมากกว่ากายใจของเรานะให้เรารู้นะการเกินกันไว้แต่ละขณะแต่ละขณนะที่เราไม่ได้ตั้งใจที่จะทำํำนะเราไม่ได้ตั้งใจที่ให้เกิดนะสิ่งนั้นนะ่ะมันเกิดขึ้นมาเองมันเป็นธรรมชาตินะที่เป็นกุศลธรรมอกุศลธรรมนะตลอดเวลาเวลาเลยเราก็ใช้เป็นเรื่องของกรรมฐานก็คือรู้สึกพอรู้ปก็จะรู้แล้วว่า มันไม่ใช่สิ่งที่จะหยิบ ม, มาใช้ขณะต่อขณะนะขณะนี้เรารู้อะไรอยู่นะปกติอยู่มีเครื่องอยู่มีสติปัฏฐานนะเป็นบ้านอยู่นะมีมาตรฐานของจิตอยูนะ่แต่ว่าการที่เกิดขึ้นมามากมายกายกองนะอันนั้นมันเป็นเรื่องกองนะถ้าเข้าไปปั๊บมันมีปัญหาทันทนะีเราก็จึงนี่แหละนะอยู่กันแบบสำรวมด้วยความรู้สึกตัวถนะึงตรงนี้แล้วนะก็จะผ่านมานทั้งหมดน่แหละนะมานคืออะไรก็คือ มัจจุมานอย่างนั้นนะความตายมันมาในรูปแบบของการกลัวต่างๆกลัวทุกรูปแบบนะมันโยมิหาตัวกลัวตายทั้งหมดนั่นแหละตัวกลัวจึงเป็นตัวมัจจุมาน์และเป็นด่านท้ายสุดเลยนะด่านท้ายสุดสัญชาตญาณแรงมากให้การกลัวกลัวตายทุกคนก็รักตัวกลัวตายทุกคนนั่นะใครที่ว่าไม่สู้ไม่สู้ลองทําก็แบบหมาจนตอกอ่ะปรเดี๋ยวเลยได้เรื่องอะไรแบบั้นความกลัวตายอย่างนั้นแหะ ไม่ไม่ไม่แต่ันทำมันทําตายอะไแล้วไทสุโกเสียอกเสียใจนอนกอดศพอย่างนี้ก็เคยเจอบ่อยๆตัวเทวปุตตมานก็คือความสบายความสะดวกต่างๆนะเราก็ต้องอยู่กันแบบเราระวังเต็มทีนะ่อาหารการกบฉันนะสบายสะดวกท่านหะไรเราก็ต้องววระวังระวังกันเต็มที่ก็นะคือพอดีอยู่ตรงไหนก็ต้องสังเกตเราเองความเป็นตัวของเทวปุตตมานะ การนั่งการเดินการยนืนการนอนในที่สะดวกที่สบายต่างๆถ้าด้วยไม่ขนไกว่เนี่ยดีแต่ถ้าขนไวายอนี้ก็ต้องให้ตีค่าไว้ก่อนเป็นตัวราคาหรือเปล่ามันจะพาไปสู่ตันหาทยานอยากแล้วยึดติดนะจึงบอกว่าเป็นของกลางของกลางทั้งหมดนะมันจะของกูของกูของ ก, องกูต่อไปก็คือนะตัวพี่สังขารมานันะตัวนี้คือคิดเก่งนะการปรุงแต่งทั้งหมด ทางด้านความคิดเป็นบุญเป็นบาปอันนี้เป็นตัวของปุญญาที่สังขารและอภิปัญญาที่สังขารอยู่ในอภิสังขารมานเวลาเราแบบเราก็จะจำหน้ามันได้ละไอ้ตัวนี้คิดดีคิดดีหมากและวเดี๋ยวเดินไม่ได้ไปทําดีก่อนอะไรเงี้ยเราต้องทักทวงตัวเองก่อนถ้าจะไปจริงๆนั้นคือหน้าที่เราก็ไปอ๋อนี่คือหน้าที่ได้เวลาแล้วต้องไปทําหน้าที่อันเนี้เราก็ไปซะไม่เป็นไรแต่ถ้าไม่ใช่หน้าที่แล้วต้องไปอย่างเงี้ยแสดงว่ามันอยู่กับกรรมฐานไม่ได้ อยู่รูปแบบการปฏิบัติไม่ได้นะต่อมาก็คือตัวมารกี่ตัวแล้วเนี่ยอภิสังขารมารเทวปุตมารนะตัวมัจจุมานนะมีตัวอะไรอีกอีก2ตัวนั่นแะหละคือมานทั้งหลายทั้งปวงที่มันเกิดขึ้นนะแล้วก็เวลาปฏิบัติไม่ต้องไปตีฆ่ากันะนะให้ดูเป็นอาการเฉยๆไปละแล้วเราก็วางจิตวางใจกลับมาหาตัวรู้สึกตัวรู้สึกตัวตัวนี้ ก็พูดให้ฟังสำหรับเย็นนี้แค่นี้ก่อนกลับาพาพร้อมกัน